ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง ม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีญี่ปุ่นเตรียมถอนตัวออกจากสมาชิกคณะกรรมการล่าวานระหว่างประเทศและจะรื้อฟื้นการล่าวานเพื่อการค้าอีกครั้งในปีหน้า ดรนนทศักดิ์เตี่ยมผลคณะบดีคณ ะ, กะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกหรือมอทรอตะวันออกตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่า อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของคนไทยในปัจจุบันโลกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาในทุกส่วนทั้งการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์น้ำการเลี้ยงสัตว์บกการปรับภูมิทัศน์กระบวนการรักษาธรรมชาติซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปไกลโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตควบคุมคุณภาพจึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาภาคกากรเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นด้านนายบุญทรงหลวงเพชรนักศึกษาชั้นปีที่สี่ สาขาวิศว ก, กรรมเกษตรและเทคโนโลยีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปิดเผยว่าคณะอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลายัยจะรวมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยเฉพาะการนำแอปพลิเคชันมาควบคุมการปลูกพักไฮโดรโปนิกส์ผักและผลไม้เมืองหนาวในโรงเรือนแบบปิดซึ่งสามารถควบคุมการเจริญเติบโตควบคุมคุณภาพของผักและผลไม้ที่ปลูกได้อย่างง่ายโดยควบคุมได้ทางสภาพอากาศความชื้นในอากาศ คุณภาพของแสนที่เพื่อต้องการความถี่ในการให้น้ําและปุย๋ยโดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตรวมทั้งสามารถเห็นการเติบโตของผักและผลไม้ที่ปลูกได้โดยการติดกล้องในโรงเรือนได้อีกด้วยสําหรับผู้สนใจสามารถอบรมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชนบุรีโดยม่เสียค่าใช้จ่ายอาทิตยาปกระทานางังรายงาน นายโยชิดะสุกะหัวหน้าโคโกรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาถแถลงการว่าญี่ปุ่นเตรียมยื่นเอกสารต่อคณะกรรมาการล่าวานระหว่างประเทศหรือ i w c เพื่อขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากมีจุดประสงค์ต้องการรื้อฟื้นการล่าวานเพื่อการพานิชตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีหน้าเป็นต้นไปโดยจะจำกัดเฉพาะในเขตหน้าน้ำญี่ปุ่นและเขตเศรษฐกิจจำเพาะเท่านั้นจะไม่ล่าวานในเขตมหาสมุทรแอนตาร์กติกและเขตขั้วโลกใต้ โดยจะมีการแจ้งต่อ IWC อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการตัดสินใจของญี่ปุ่นภายในสิ้นปีนี้ซึ่งจะทำให้การถอนตัวจากสมาชิกมีผลตั้งแต่วันที่30มิถุนายนปีหน้าทำให้ญี่ปุ่นสามารถค้าวานทมิงและวานสายพันธุน์อื่นๆที่อยู่ในบัญชีสัตว์คุ้มครองของ IWC ได้คำถแถลงการของญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการกันไว้แล้วและมีขึ้น ภายหลังจากญี่ปุ่นไม่สามารถทำให้ IWC อนุญาตให้ญี่ปุ่นรื้อฟื้นการล่าวานเพื่อการค้าได้ซึ่งญี่ปุ่นเคยเผยความต้องการหลายครั้งว่าจะถอนตัวจากองค์กรดังกล่าวขณะที่ต้องเผชิญเสียงตาหนิจากนานาประเทศมาตลอดจากการจับวานปีละนับพันตัวโดยอ้างว่าเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมองหน้ากับทีมข่าววิทยุราชชโมองคลทันบุรีครับ